กรณี เ, เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธาตุก็ต้องไปดูในมหาปริญนิพานสูตรซึ่งก็ท่านก็วางหลักไว้ชัดเจนว่าลักษณะของวัธาตุท่า น, นมีอย่างไรมีอย่างไรงั้นพระธาตุในยุคยุคลังๆนี้ก็ก็เอามาไม่ไม่ไม่ไมวิชัยนะแต่ขอวิชัยไปตามคําสอนในยุคก่อนถ้ายุคหลังๆนี้ามาจะตัดวงจรไว้เพราะว่า ไม่ไม่ค่อยไปได้ใส่ใจมากนะแต่ถ้าหากว่าในยุค ข, ของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าในยุคก่อนๆ อ, อันนี้อันนี้อามา ก, ก็จะชัดเจนในตรงนั้นมากกว่าซึ่งปรากฏทั้งเหตุและผลและหลักฐานแต่ถ้าถามบอกว่ากรณีแห่งการที่ว่าถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยถามบอกว่าอัฐิของท่านเน่เป็นอัฐิที่ควรบูชาเท่านั้นเอง ที่ควรบูชาเพราะอยู่ในฐานะเป็นคำว่าพระคำว่าคว่าพระาธาตุเนี่ยก็คือกระดูกนั่นเลยกระดูกแค่ น, นั้นเองไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนยนะเป็นกระดูกแต่ว่าเป็นกระดูกของผู้บรรลุธรรมคือได้เป็นพระอรหันต์จึงสมควรต่อการบรรจุไว้ในเจดีย์เพื่อจกบูชาคำว่าเจติยะแปลว่าบูชานะแปลว่าบูชาถ้านอกนั้น ไม่ควรนอกนั้นไม่ควรฉะนั้นถ้าถามบอกว่ากับสภาพของพระาธาตุเนี่ยจะแปลเปลี่ยนไหมถ้าพระาธาตุนั้นก็ลักษณะใดก็เป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าเราดูจากพระาธาตุที่มีบอกลักษณะเขาไว้ว่าขนาดไหนอย่างไรซึ่งในชั้นคําสอนในรายละเอียดก็จะมีบอกกล่าวอยู่นะี่บอกกล่าวอยู่ฉะนั้นเราตั้งศรัทธาไว้เหรอ นะตั้งศรัทธาไว้แต่อย่าไปยึดติดตัวบุคคลนะถ้าไปยึดติดตัวบุคคลว่าท่านผู้นี้มีพระธาตุอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจกเป็นการยึดที่ตัวบุคคลไปขอให้เราตั้งมั่นในในศรัทธาในพระเจ้าว่าเมื่อโดยเฉพาะก็คือว่าขับเน้นที่พระเจ้าในดีที่สุดหนึขับเน้นที่พระเจ้าเสียจะได้จะได้สบายใจแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า จะได้ไม่ต้องตั้งกังขาเลยเนะตรงนี้ก็จะชัดเจนดีแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าสืบเน้นในด้านของคาสอนเนี่ยพอท่านพูดในลักษณะอย่างนี้มันมันมีวิธีการค่อนข้างเยอะไงมันมีรายละเอียดเยอะตรงนี้ถ้าคุยเป็นงานส่วนตัวทำไมบันทึกเนี่ยเออคุยได้แต่ถ้าคุยบันทึกขึ้นมาก็ไม่ไม่ปราถนาไปวิจัยกันเยอะเน ขอวิจัยไปตามคำสอนและตามเหตุผลที่มีอยู่ก็จะสะดวกดีกว่าบางทีถ้าพูดในเรื่องตรงนี้แต่แล้วมาก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบแสดงทัศนะยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าเอ๊ะท่านพู้นั้นบรรลุหรือไม่บรรลุเนี่ยมาหมดสุดวิสัยเลยเพราะเพราะมาไม่ไม่ค่อยขับเน้นปัจจุบัน ค่ะพระบรมสารีริกธาตุที่บุคคลประพฤติดีปฏิบัติดีบูชาอยู่แล้วเนี่ยในระยะหนึ่งที่การประพฤติปฏิบัติอาจจะทําให้บารมีของเขาเพิ่มพูนมากขึ้นแล้วเชื่อกันว่ามีพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาเพิ่มขึ้นนอกเหือจากนั้นยังมีพระอรหันตธาตุของของพระอรหรันตองค์ต่างๆด้วยอันนี้เป็น เป็นที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็เออตรงนี้นะอเออแม้เรื่องยาวเลยตรงนี้คืออย่างนี้เออตรงนี้ตรงนี้ถ้าพูดเนี่ยนะหนึ่งหนึ่งกรณีที่บอกว่าว่าพระธาสะเสด็จเนียถามว่าพระธาเสด็จได้จริงไหมต้องบอกว่าจริงนะแต่ประเด็นอยู่ตรงว่าและท่านผู้นั้นพูดจริงไหมไอ้นี่สิ มันเป็นถึงประเด็นตรงนี้ยถ้าเราเอาเอาความเชื่อไปตั้งไว้แค่ตัวบุคคลแล้วเนี่ยปัญหามันจะตามมาที่ามาว่าเนี่ยแต่ถ้าพระธาตุเนี่ยสามารถที่จะไปอยู่คนมีศีลได้จริงๆแต่คนคนนั้นต้องไม่เป็นวิยาทิฏฐิด้วยนะแต่บางทีไปสืบค้นดูแล้วดูมันมันชอบควนชอบกวนนี่ ก, ก็ก็น่าคิดใช่ไหมฉะนั้นขอให้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมีมีธรรมมีศีลมีกิริยาธรรมที่บริบูรณ์และเป็นคนที่ขับเน้นเป็นคนที่มีบุญจริงๆอนะ่ะ แล้วก็เดินตามรอยบาทพระศาสดาจริงๆทั้งนี้น่าเชื่อเชื่อถือแต่ถ้ามันไม่ใช่ล่ะกว่าจะเป็นกิจกรรมอย่างอื่นเ น, นี่ยตรงเนี้ยก็ ต, ต้องต้องสังเกตโดยเฉพาะเป็นชาวพุทธเนี่ยเรามีคําสอนของพระเจ้าเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ย น, นี้เออบุญเราดีตรงเนี้ยตอนเนี้ยเอาคําสอนพระเจ้าไปจับหลักเลยนะที่ว่าบุคคลเนี่ยอย่างที่เอามาพูดเรื่องการรู้จักบุคคลเนี่ยเริ่มตั้งแต่ว่าเขา ปรารถนาเห็นพระเจ้าหรือไม่เห็นแล้วก็ชอบฟังธรรมไหมแล้วฟังธรรมแล้วตั้งใจไหมตั้งใจแล้วจําได้ไหมแล้วก็ฟังเรื่องของใครไม่ใช่ไปฟังเรื่องทั่วๆไปนะเขฟังจากพระไตรปิฎกอัติขถาหรืดีกาจริงๆอยู่ไหมไอ้ตรงเนี้ยนะอย่าไปตั้งที่บุคคลไงทั้นถามว่าเสด็จได้จริงไหมจริงแต่ถ้าถามบอกว่าท่านผู้นั้นที่ว่าเสด็จกันรื้มล่ำรื้มล่ำเนี่ยจริงไหมอันนี้ต้องไปดูแล้วต้องไปดูแล้ใช่ไหมเออ ถ้าท่านพูดนั้นถ้าสเสด็จจริงๆเนี่ยนะถ้าสเสด็จเนี่ยเอาสมมุติว่าถ้าเป็นอามาเนี่ยนะสมมุตินะถ้าสเสด็จมาหาอามาหญิงอามาจะไม่บอกใครหรอกเพราะมันอันตรายอันตรายถ้าไปบอกขึ้นมาถ้าเป็นพระนี่นะจะอันตรายเดี๋ยวเขาจะหาอามาี่มีคุณนะวิเศษขึ้นมาแล้วามายุ่งหนือไงานเนี้ย มันจะยุ่งเลยสําหรับอาตมาเนี่ยจะยุ่งแล้วถ้าเป็นอุบาสกบาสิกาคนไหนก็จะยุ่งเลยอามายกตัวอย่างนะอุคคัชห่าวดีท่านมีคุณธรรม8ประการเนี่ยใช่ไหมท่านมีคุณธรรมที่เห็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกแล้วท่านได้บรรลุอ่ะนะตอนนั้นขนาดเมาเนี่ยนะเมาเลยอ่ะพอไปเห็นพระบรมศาสดาครั้งแรกปุ๊บแค่านั้นเองเนี่ยปิติปราโมสตธาเกิดขึ้นขับแอลกอฮอล์ออกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้บรรลุสามมรรคเลยเนี่ย ยี่เป็นความอัศจรรย์มากเป็นต้นแล้วกลับมาเบีเสร็จแล้วท่านก็มามีภรรยาอยู่4คนก็ถามภรรยาว่าอยากจะได้อยากจะกลับบ้านหรืออยากมีอยู่ชายอื่นมีภรรยาอยู่คนนึงบอกอยากอยู่ชายอื่นท่านก็ไปให้เชิญมาแล้วก็จับข้อมือแล้วก็ลินน้ําให้เลยมอบโดยทั้งท ร, รัพย์สมบัติใจไม่เคยแปลปวนเลยชื่นชมินดีเป็นต้นไล่ไปตามดับคุณธรรม8ประการนะมาไม่ได้นะี่แต่ท่านถามว่าตอนที่พระศาษษสดาถามพระ พยากรณ์ท่านว่าท่านมีคุณธรรมแปดประการอ่นี้ตอนนั้นมีอุบาสกบาสิกาอยู่ด้วยไหมพระบอกว่าไม่อยู่ดีแล้วข้าพเจ้าก็ไม่สงบทาหาให้ใครเอาไปพูดนี่ไงคุณธรรมของบาสกเขาไม่อวดคุณไม่อวดคุณวิเศษปกปิดคุณวิเศษไม่ยกตนไม่ข่มท่านเป็นต้นเราเนี่ยนะเนี่ยถ้าเราเจออย่างี้ใช่ เจอแบบนี้มันใช่แล้วเพราะคนไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่โดยเฉพาะไม่อวดคุณที่มีจริงนะไม่ต้องพูดถึงคุณที่ไม่มีจริงแต่ น, นี้พราะพระศาสดาบอกท่านเลยต้องต้องบอกกับพระท่านเลยรายงานให้พระรายงานให้พระฟังนี่เราก็จะได้เห็นนั่นนี่ไงอุบาสกหรือถ้าดูอุบาสิกาก็ดูนางนันท า, ามาดานี่ก็ไม่อวด แต่พอภาษารีบุตรถามท่านท่านก็ตอบอย่างเงี้ยฉะนั้นอุบาสกบาศิกาในศาสนาของพระชินเจ้าจักไม่ยกตนไม่ข่มท่านถึงมีปฏิหารก็ไม่แสดงไม่ไม่ไม่แสดงมั่วเลยเว้นไว้เหตุจาเป็นเนอะเช่นพระตอนนั้นดีตอนที่พระศาสดาจะแสดงยงมกกับปฏิหารเนียท่านประกาศตนเองก็ขอแสดงท่านไม่อยากให้พระศาสดาเหนื่อย ท่านบอกว่าไม่ต้องให้พระาศาสดาหเหน็ดเหนื่อยลำบากหรอกพระาศาสดานั้นเน่ยเหน็ดเหนื่อยเพราะพวกข้าัาองค์เนี่ยมานานแล้วครับองค์ขอเหนื่อยแทนขอแสดงฤทธิ์แทนนี่นและเรา อ, รอยากจะทําอะไรแทนพระเจ้าบ้างไหมพระเจ้าเหนื่อยมานานแล้วจะทำอะไรบ้างนี้พยพระเจ้าไม่ได้หวังอะไรกับเรานะบอกว่าเออให้เธอมีศีลก็แล้วกันให้ปฏิบัติให้เคร่งครัดให้พูดปฏิบัติเดนะินเน่ย ให้ตั้งมั่นกันแล้วถ้าลักษณะนี้ใช่แล้วอันนี้ก็จะได้มองเห็นว่าแทนอุบาสกอุบาสิกาของพระชนเจ้านั้นมีคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาคุณสมบัติก็ไปดูในเราไม่ใช่เป็นอุบาสกอุบาสิกาจันทานใช่ไหมถ้าบาสกอุบาสิกาจันทานก็เป็นผู้ไม่มีศรัทธาแต่ เ, เราเป็นผู้มีศรัทธา เราเป็นผู้มีศีลเราไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลนั่ตรงนี้สำคัญมากเลยนะไม่เชื่อสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอต่อที่จะพัฒนาคุณธรรมฉะนั้นอุบาสกบาศิกานี่จะตั้งมั่นมากี น, นี้เรา็ยึดมั่นตรงนี้ก็ชัดเจนเลย